ยังประมาทอยู่ที่ส่วนมาเมื่อกี้นะอันนี้เทวทูตตรงนั้นคือใครเป็นเป็นเทวะเราทั้งหลายโยติตาทูวทูเตหิเ<ส>มื่อถูถกเทวทูตตักเตือนแล้วยังประมาทอยู่บุคคลนั้นย่อมถึงกําเนิดชั้นเลวประสบทุกข์ในโลกอยู่เป็นนิดแล้ทุกข์อยู่สิ้นกาลนานอุทายเจนัง เมื่อเราเราทั้งหลายเมื่อถูกเทวทูต ด, ดักเดินแล้วยังประมาทอยู่จะต้องถึงเข้าถึงกำเนิดชั่นเรวประสบทบประสบทุก อ, อยู่สิ้นกาลนานแต่สำหรับบุคคลเราใดเมื่อเทวทูตตักเดินแล้วไม่ประมาทในอริยธรรมกำหนดรู้อยู่เป็นนิดนทีนี้ในคำว่า เทวทูตอะเทวทูเตหิหมายถึงอะไรเทวทูตตักเตือนแล้วยังประมาทหมายถึงตัวทูตตัวนั้นคือตัวอุปาทานในบอกว่าอุปทานไม่ยึดมั่นถือมั่นตัวอุปทานนั่นแหละคือตัวเทวทูตตัวยมทูตเป็นตัวตัวยมทูตตักเตือนแล้ว หายควว่าเมื่อใดมันเกิดความยืนมั่นถือมั่นปับ๊บยมมทูตมาบอกแล้วว่าอันนี้ฉันนะโดยฉันนะโยมมาทูตนะถ้าหากว่าเรามีอุปทานอยู่เรายังไม่รู้ว่าเราอุปทานนั้นเทวดาทูตมาบอกต่อแต่เราไม่รู้จักนะไม่รู้จักตัวอุปทานไม่ว่าเป็นการมุปาทานที่ถูปาทานศีละพระถูปาทานอัตวาทุปาทานนะทั้ง ทั้งสีเนี่ยเทวทูตทั้งสี่ เ, เทวทูต ท, ท, ท, ทางกายก็มีสีใช่ไหมคนแก่คนเจ็บคนตายสมณะโยมเทวทูตก็มีสีก็คือกามทิฏฐิอัตวาทุปทานอัตตากามุประทานทิฏฐุปะทานศีและพัตตุปาทานอัตวาทุปะทาน ซึ่งทั้งสี่นี่เป็นเทวทูต ท, ทั้งสี่ตัวนี้สำคัญการก็เป็นย ม, มทูตตัวหนึ่งถ้าหากว่าใครตะหนักรู้ถึงการตักเตือนของทั้งสี่แล้วเราไม่เข้าไปยึดถือมันในเรื่องการในเรื่องทิฏฐิในเรื่องอัตราตัวตนในเรื่องความดีทั้งหลายศีลพจน เลยเรไปยึดมั่นถือมันในความดีต้องอย่างนี้งัถูกต้องงั้นผิดนะมาเถียงกันตาดํำตะแดงเรื่องถูกเรื่องผิดเรื่องดีเรื่องชั่วนี่เขาเรียกว่า ถ, กมมาถูกโยมบรรทุดจัดการเรียบรอยอ้อยละนั้นใช่อันนี้ไม่ใช่ต้องเอาอย่างงี้นะผมไม่ยอมน้คุณผิดนะฉันถูกนะแล้วเนี่ยโยมบรรทุดจัดการเรียบร้อยละเรียกสีละปัตตุประทานอัตวาธุประทานก็คือสําคัญมันหมายตัวเองว่าฉันเป็นครูฉันเป็นอาจารย์ฉันเป็นพระเป็นโยมเป็นเทนเป็นชีนะ จะมาทำอย่างนี้ไม่ได้นะก็เกิดความ อ, าอั ต, ตมาณขึ้นมาว่าเราเป็นอะไรสำคัญมันหมายในตัวเองใครมาผิดพลาดรงเกิดมาได้เป็นเรื่องเป็นราวกัน น, ะนีอันนี้ก็เรียกว่าเป็นอัตวาทุปาทานก็เป็นย ม, มทูตามาล็อกเราไปเรียบร้อยแล้วทิถูุปาทานก็เหมือนกันความเห็นสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราคิดเรา ความเห็นของเราเป็นอย่างโน้นอย่างนี้ไปยึดว่ามันจะต้องเป็นอย่างนี้อันนั้นไม่ใช่อะงเนี้ยเราเป็นความเห็นของเร า, าเราไหนที่ไม่เห็นด้วยกับเราเราก็ไม่เอาด้วยคนไหนไม่เราก็คัดค้านมันเป็นความเห็นของเราคนอื่นเอาด้วยเราก็เ อ, อดีใจคนอื่นมาคัดค้านล้วก็ใจเสียอํางอย่างนี้เขาเรียกว่ายึดตามนั้นก็เป็นเทวาทูตยมทูตมาเอาเราไปละ กรารมุปาทานกคือการสิ่งที่เราอยากทั้งหลายนี่แหละสิ่งอยากได้ใครมีทั้งหลายแม้แต่อยากปฏิบัติธรรมเราอยากได้ทำมากกว่าเป็นกรารมุปาทานอะไรก็ตามในตระกูลของความอยากความใครทั้งหลายนี่มีความอยากกับความใครต่างกันยังไงมันมีคําว่าตัณหาราคะรา้วก็กามะอัตตาเมนะมหัตตรรมพิการขตาบุคคลผู้ เพราะฉะนั้นบุคคลผู้รักตนหวังอยู่เฉพาะทำเบื้องสูงแต่ทําไม่ใช้คําว่าปิยะทําไมาใช้กาหมะเพราะฉะนั้นบุคคลตัศมาอัตตาไม่น่ามหาธรรมพิกังคาตาเพราะฉะนั้นบุคคลผู้รักตนหวังอยู่เฉพาะคุณเบื้องสูงเมื่อระลึกได้ถึงคําสั่งสอนของพุทธเจ้าอยู่จงทําความคารุปธรรมคนที่รักตนเองคือคนที่เคารุปธรรมคือคนรักตนเองนี่นะ ดังนั้นถ้าหากว่าเราใช้ความใคล้ความอยาามาเป็นตัวยึดไม่ว่าจะเป็นลูกประทับนมามธรรมก็ตามตัวนั้นก็เทวทูตก็่าละถ้าเราไม่ได้สติเขาดักเตือนเราหลายครั้งนะกรรมมันไม่ใช่เกิดขึ้นกับเราครั้งเดียวนะเกิดขึ้น บ, บ่อยๆมาเตือนเราเราจะเห็นเป็นเทวทูตหรือเห็นเป็นย ม, มทูตถ้าเห็นเป็นเทวทูตก็จะ เป็นฝ่ายกุศลไปคือเห็นแล้วเกิดความสลดสังเวชแล้วก็น้อมัดระวังขึ้นเป็นเทวทูตแต่ว่าเห็นแล้วเข้าไปตามอำนาจของมันมันก็จะกลายเป็นยมทูตนะกายเป็นย ม, มทูต ด, นะ ด, ดังนั้นเองเราก็ต้องเอามาใช้ลักษณะอย่างเงี้ยเวลาเราสวดเราสวดผ่านๆไปโดยที่ ไม่ได้เอามาดันหนักระลึกรู้มาวิจัยให้เกิดเป็นกุศลเนี่ยมันก็สวดไปได้ทุกวันแต่ว่าไม่มีความหมายในแง่ของการกุศลว่าสมาธิในการสวดมันก็ได้เพียงนิดนหน่อยไม่คุ้มกันเราไม่ได้สวดเอาสมาธิเราสวดให้เกิดสติปัญญาแต่เราต้องเข้าใจความหมายเลยแต่ถ้าไม่แปลนเนี่ยบางทีเราก็นึกไม่ออกว่ามันหมายความว่าอะไร <c oughs> เพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ที่เรา สวดกันในเมืองไทยล้วก็สวดกันเรียกว่าโดยเฉพาะในพิธีปริวาสเนี่ยโหสวดกันทั้งวันสวดข้ามคืนถ้าสวดอัลมาก็มาใช้วิธีเอ้าสวดไปแล้วบรรยายทำไปทั้งคืนเหมือนกันที่เขาสวดข้ามคืนที่จัดทร์เมืองไทยนะสวดบทนี้แล้วก็มานั่งคุยกันว่าเออเขาเาเข้าใจยากเขาจะเอาบทต่อไปสวดว่าไงก็ตลอดคืนก็ได้สติปัญญาเหมือนกันแต่นี่สวดทั้งคืนได้สมาธิไปง่วงไปเงาไปเหล่าไป ก็ไม่ได้อะไรเหมือนกันเหนื่อยเปล่า เ, เพราะฉะนั้นสาระประโยชน์ว่าเราก็ขอสวดบทนด้นค่ะบทนั้นมาวิจัยกันในเรื่องอาทิตตปริยาสูตรว่างอนัตตอริสูตรว่างตัวธรรมจักบางอันสวดอัสวดแล้วก็มานั่งโศกันวันนี้มานั่งโศมานั่งวิเคราะห์วิจัยกลุ่มกันใครไหวไงตั้งวงแล้วทีนี้ในกลุ่มที่ได้คนในสลาเป็นร้อยได้ตั้งกลุ่มกันสามคนเท่าคนวิเคราะห์คนเป็นร้อยในสลาก็พอย อ่าสนุกไปด้วยการส่วนนี้ก็เกิดประโยชน์นะนั่นในยุคต่อไปนในการพัฒนามันจะต้องออกมาในรูปนี้ยุคใหม่เนี่อายุคที่สวดกันเป็นว่าเป็นหลังนี่ก็จะค่อยหมดไปเพราะคนสมัยใหม่ถ้า ม, มันมีการศึกษาเมื่อมีการศึกษาแล้วเขาจะเลือกเอาสิ่งที่เป็นสาระอะไรที่ไม่เป็นสาระก็จะไม่เสียเวลาไม่เหน็ดเหนื่อยด้วยก็จะเลือกเอาส่วนที่เป็นสาระเข้ามาใช้เพราะเวลาคนมันเยอะขึ้นเวลามันน้อยลง เราจะไปมัวเสียเวลากับสิ่งที่ไร้สาระไม่เกิดประโยชน์เนี่ยไม่ได้มันจะไม่ทันเขารนแะนั้นก็พัฒนาไปตามยุคสมัยประเภทที่สวดแล้วให้เกิดครังศักดิ์สิทธิ์เป็นมนขังนี่ค่อยหมดยุคไปหมดยุคไปคนรุ่นเก่าที่ไม่จเจริญหรือ ย, ยังจิตใจยังไม่เป็นในทางที่พัฒนาก็จะล้มหายตายจากไปคนรุ่นใหม่เมื่อได้รับการพัฒนา ด้านเทคโนโลยีด้านการศึกษาได้สูงขึ้นก็จะรู้ว่าอะไรเป็นสาระอะไรไม่ใช่สาระก็มีการคัดเลือกอเลือกสรรแล้วสิ่งที่ดีเกิดขึ้นแล้วก็นํามาใช้เรื่อยๆ เ, เพื่อให้เวลานั้นมีมากขึ้นในการสไบค์หาเสธธรรมขัน้นลึกขั้นสูงขึ้นไปเรื่อยๆเพราะอาสวะธรรมทั้งหลายนะี้ยังอยู่ลึกถ้าเราจะมาเสียเวลา ในสิ่งที่ได้สาระแล้วสิ่งที่ไร้สาระก็ให้เกิดอาสวัธรรมเพิ่มอาสวัธรรมขึ้นก็เป็นอาสวัฐานิยธรรมเป็นที่ตั้งให้เกิดอาสวะก็ทําให้มันเนิ่นช้าในการเดินทางแต่ เ, เรามาพอกพูในสิ่งที่เป็นกุศลเนี่ยมันเคยทําให้เราตัดเส้นทางของอาสวัธรรมสั้นเข้าไปสั้นเข้าไปมันค่ยทําให้เราพ้นทุกยากลำบากเร็วขึ้นแล้วก็ชีวิตที่เหลือเราก็จะเอา อเป็นแสงสว่างในการที่ช่วยเหลือสองทางคนอื่นที่ยังมืดต่อไปในความหมายตรงนั้น่ะเพื่อเซฟเวลาให้ช่วยเหลือคนอื่นเพราะคนอื่นที่ตามมาทีหลังมันมาด้วยความไม่รู้ทั้งนั้นนะแต่ถ้ามีคนรู้ขึ้นสักคนหนึ่งในวงการนั้นปั๊บหนึ่งมันก็จะเป็นแสงสว่างให้กับสังคมได้เพราะนั้นทุกเวลานาทีที่ผ่านไปเราต้อมุ่งทําในสิ่งที่มันเป็นสาระเพราะชีวิตเรามไม่นานก็ต้องตายไปถ้าเราทําในสิ่งที่เป็น ไม่เป็นสาระด้วยเกิดอกุศลเกิดอาสวธัธรรมตามมาด้วยแล้วก็ดลดกิจกรรมนั้นลงมันก็ทำให้เราได้พัฒนาโดยเฉพาะในโลกตะวันตกที่หันมาศึกษาพุทธศาสนาตามที่ได้อ่านตลักฐานข้อมูลต่างๆก็รู้สึกว่าเริ่มเยอะขึ้นน่ทีนี้เขาจะเอาแกนสารสาระหันมาศึกษาทางพุทธศาสนาเข้าหาพระ ถ้าพระไม่สามารถชี้แจงแสดงในสิ่งที่เป็นเหตุเป็นผลที่เขาต้องการได้สถาบันของพระก็จะหมดหมดความสำคัญไปเรื่อยๆที่นี้ชาวบ้านก็จะหันไปช่วยกันเองแล้วดีเนะี่พุทธศาสนาในรูปแบบก็จะหายไปเพราะว่ามีสาระน้อยเกินไปที่ชาวโลกปัจจุบันเขาอาศัยไม่ได้เราก็จะต้องมามุ่งแก่นสารสาระของสิ่งที่เราทาอยู่ว่ามันจะเอื้อคนยุคต่อไปได้อย่างไรเราต้องมองไปไกลกว่า น, นั้น เขาเรียกว่านในพุทธศาสนาเนี่ยต้องมีวิชั่นคือมีวิสัยทัศน์ที่ไกลกว่าเราก็มาพัฒนาสิ่งที่เป็นกุศลนะสิ่งไหนกิจกรรมอะไรที่เป็นกุศลก็ให้เกิดกุศลก็ให้เกิดสติปัญญาเราก็ทำในในจุดนั้นเรื่อยๆทําบ่อยๆมันก็เป็นทักษะเพราะเป็นทักษะเกิดความคล่องตัวในเรื่องนั้ น, น, นเพราะว่ากเนวยนนงทีเ่เป็นกุศลนําไปใช้มันก็ไวขึ้น ถูกกาลาเทศะถูกฟ้าถูกตัวมันก็ทําให้ประโยชน์ของพุทธศาสนาได้ขยายเร็วขึ้นนะอันนี้คือประโยชน์ที่ว่าเรานําเอาบทสวดแต่ละบทมาเป็นตัวตั้งแล้วก็แปลแล้วก็มาวิเคราะห์ในประจําวันแต่บทสวดอันไหนที่มันกึ่งพุทธกึ่งพรามเราก็พยายามน้อยๆลงเราก็เลือกอสสาระที่เป็นพุทธล้วน สามารถอธิบายได้ในส่วนนี้ก็ทำให้เกิดกุศลที่เป็นที่เป็นปัญญานะคำว่าบุญเพื่อก็ให้เกิดความสบายความสงบความสุขแต่ว่าความสงบความสบายความสุขนี่มันจะยั่งยืนอยู่ที่ว่าเหตุคือกุศลเนี่ยลึกพอมนะเหมือนต้นไม้ต้นหนึ่งที่มันสามารถแต่กิ่งก้านสาขาผลดอกออกผลได้ตลอดดูดูกันนั่นหมายความว่ารากมันจะต้องลึก เราสามารถอย่างไปถึงธ า, าตุอาหารในดินได้อย่างทั่วถึงสามารสูบเอาแร่ธาตุต่างๆขึ้นไปเลี้ยงลําต้นมันบุญก็เหมือนกับต้นไม้ที่มันผีดอออกผลกุศลก็เหมือนรากที่มันหาอาหารภายใต้ดินเนี่ยได้ได้อย่างครบถ้วนหมดกระเดิด น, นั้นเองในส่วนบุญกับกุศลก็มาด้วยกันเหมือนต้นไม้ต้นหนึ่งแต่คนละส่วนส่วนที่เห็นประโยชน์ทัน เห็นประโยชน์ที่สัมผัสได้ก็เรียกว่าบุญส่วนไหนที่เอื้อประโยชน์ให้เกิดตลอดเวลาก็เรียกกุศลเพราะฉะนั้นท่านจึงเอาคําว่ายาคาเนี่ยมาเป็นชื่อของกุศลเพราะรากมันไปรึกไปไกลหาหารเก่งเนี่ยารากหญ้าคานั้นเองก็ยาคาเราภาษาอินเดียเขาเราียกวสาะพอมใช้เป็นยาค า, ากุศลกุศลหมายความเดียวกัน ตอนนั้นในกิจวัตรประจําวันก็จะต้องเอื้อต่อทํามันเป็นกุศลได้เรื่อยๆนั้นการทํากิจกรรมของเราผ่านไปแต่ละวันแต่ละวันแต่ะวันก็จะกุศลก็เติบโตตรงที่ว่ากุศลสู้ประสัมพันธ์การทําให้กุศลให้ถึงพร้อมอยู่เสมอมันก็จะตรงความหมายตรงนั้นนะะเะนั้นวันนี้ก็เราปรัรัเรื่องของบทสวด จํำวันว่าเรื่องของกิริยะาณมิตรเรื่องของเทวทูตสูตรเทวทูตสูตรก็มีความหมายอย่างนี้นะเข้าใจไหมโ ย, ยมเบน ก, ก็ก็อยู่ปัจจุบันในกรณีที่ว่าเราไม่สามารถที่รักษาจิตให้นิ่งอยู่กับปัจจุบันได้ชัดเจนตัวนี้ก็เป็นตัวอุปกรณ์ตะล่อมจิตท่านเด็กแต่ในกรณีที่เราสามารถตะล่อมจิตให้อยู่ปัจจุบันได้โดยที่ไม่ต้องอาศัยอุปกรณ์อื่นช่วยแล้วก็ ไม่ต้องยกก็ได้แล้วแต่เออเรายกรู้สึกว่ามันตะล่อมได้ง่ายกว่าเราก็ยกไปแต่ถ้าไม่ยกเลยรู้สึกตะล่อมได้ยากเราก็ยกแต่ถ้าหากไม่ยกแต่ว่าตะล่อมจิตได้ง่ายนิ่งเข้าใจได้ลึกก็ไม่ยกก็ได้อันนี้ขึ้นอยู่กับว่าประโยชน์ที่ได้ได้เนี่ยมันคืออะไรนะ ที่ยกมาเมื่อกี้โยตัตถะตัตถะวิปัสสติอสังหีลังอสังกุปังตังวิทามนุผู้ใดเห็นธรรมมันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นแจ่มแจ้งต้องทําสิ่งนั้นประจำที่โยมนั่งเนี่ยสภาวธรรมที่เกิดปัจจุบันอย่างแจ่มแจ้งสัมผัสได้มีอะไรบ้างเอาทางกายก่อนเคยดูมวาว่าอาการกระพริบตานี่เคยตั้งใจดูมวาว่านาทีหนึ่งมันกระพริบกี่ครั้งส่วนมากไม่ได้ไม่ได้นัน่นะ สิ่งใกล้ๆตาเราเนี่ยตามันก็เพียบอยู่ตลอดนะเอ๊ะลองทะลึงสักวันเอ๊ะทำไมมันพับได้พับดีกูลองดูว่ามันจะพับยังไงดูว่ามันพับกี่ครั้งเนี่ยแล้วพยายามตามดูการพับตาแค่เนี้เห็นทําเกิดเฉพาะหน้าแล้วเนี่ยสฉพาะหน้าจริงๆเลยเนี่ยอยู่หน้าเราเลยอแล้วก็หายใจอ่ะแต่ละครั้งเป็นไงลึกไหมลึกหายใจลึกเป็นไงรู้สึกไหหายใจตื้นรู้สึกเป็นไงนี่ทําเกิดขึ้นเฉพาะหน้ายังดูไม่ครบเลยอ่ะ เพราะนั้นบางทีแทบจะไม่ยอมยกมือเลยแหละถ้าเห็นสิ่ง น, นี้เฉพาะหน้าจริงๆนะครับตาอ้าปากหายใจแม้กระทั่งเราพูดเนี่ยถ้าจะมาพูดออกมาก็จะดูว่าปากขึ้นลงลิ้นกระดกอย่างไรหายใจเข้าอย่างไรหายใจออกอย่างไรให้ดูเป็นลักษณะใกล้ๆที่มันมันอยู่เฉพาะหน้าจริงๆก่อนแล้วก็ทาไปเรื่อยๆยอมลองฝึกดูนะนั่งดู เดี๋ยวตามันพับโดยทำไม่รู้ด้วยเอ๊ะาทั้งใจไงด้วยว่ามันจะพับยังไงนะว่าสนุกบางครัออกมาก็นั่งดูเป็นชั่วโมงเลย <c oughs> นั่งดูตามันพับคุณนพับลงพับอะไรในที่สุดเราตาให้ตาแข็งได้นะตาแข็งระหว่างปิดไฟกับเปิดไฟเนี่ยอันไหนตาพับบ่อยกว่ากันสังเกตไหมอแต่มาพิสูจน์แล้วปรากฏว่าปิดไฟเนี่ยภาพตาบ่อยกว่าเพราะตามันแสบแสงไม่พอ มันทำท่านจะหลับเลยเพราะนั้นพวกหลับปับ๊บไม่น่าเวลาปิดไฟปับ๊บคนยิ่หลับง่ายเพราะอะไรเพราะแสงไม่พอมนตามันนั่นตามจะแสบอยู่เลยอ๋อก็ได้ข้อว่าเอ๊ะทำไมคนต้องหลับกลางคืนแสงไม่พอเหมาะกับการหลับแต่พอแสงสว่างขึ้นมามันมีอะไรมากระทบทําให้ประสาทตาของเราตื่นตัวมันก็เลยเออปรากฏว่าเปิดไฟเนี่ยตาสามารถลืมกว้างได้นานไม่แสบแต่พอปิดไฟปับ๊บ พยายามจะลืมตาให้กว้างมั น, ม, นมันแสบเนี่ยเห็นไหมคือเห็นทํามันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นนั้นอย่างแจม่มแจ้งไม่ใช่เห็นผ่านๆไปต้องดูเนี่ยมันเหตุผลว่าเป็นยังไงใช่ไหมทีนี้ใ ก, กล้เข้ามาเอ้ไม่กี่นั่งเงนี้ทำไมเริ่มเคลื่อนมาอย่างนี้แหละเราไม่ขึ้นมาได้เหะถ้าไม่ขยับมันเกิดอะไรขึ้นมันก็เริ่มขยับบางทีเราทิ้งไว้านานๆไม่ยอมขยับมันขยับข้างมันเองเนี่ยอ๋อตรงนี้เอง เห็นที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าคือเห็นอันนี้จังเพราะในบทส่วนมันระบุตรงนั้นบทแรกเนี่ยเทวทูตบทที่สองมาว่าไม่ยึดมัน่นถือมัน่นด้วยบทเทวทูเตหิเดี๋ยวเดี๋ยวเขาดูบทหน่อยว่า ใ, ในนี้มีหรือเปล่าในเล่มเล็กเนี่ยพาจนจะไม่มีนะมีในเล่มใหญ่เนาะน้าสี่สิบเท่าไหร่พาจนต้องกัน จะเป็น45น่สิ่าเนี่ยดูดูตัวบทมันหน้า46นี่นะว่าเทวทูตสูตรหนะรว่าอุปทานาเนพระยังทิสวาชาติมรณะสัมภเวเนี่ยบุคคลเราใดเห็นภายในความยึดมั่นถือมัน่นตัวนี้มันบ่งสองบทข้างแรกว่าไอตัวเทวทุตก็คือตัวความยึดมั่นถือมัน่นเป็นปัจจัยก่อให้เกิดชารามราณะบุคคลเหล่านั้นย่อมหลุดพ้นจากอุปทานเนี่ย การหลุดพ้นออกจากคือพ้นจากความเป็นยมบรรทุนนะพ้นจากอำนาจของยอมบรรทุนน ะ, ะพ้นจากความทุกทพงปวงได้เพราะความพยายามก็ทําให้สิ้นถึงชาติชารามรณะนั้นเนี่ยเนี่ยมรณะเพราะนั้นชาติชระรามนั้หมายถึงชาติสมรรถทางที่เป็นนามธรรมาเช่นเวลาเกิดความคิดมาเป็นชาติแล้วใช่ไหมแต่ความคิดอยู่ที่เดิมไม่ได้เพราะ ม, มันย่องเปลี่ยนแปลงดำหลักก็ชะลาแล้วแล้วก็ความคิดนนั้ก็ดับไปแต่ถ้าหากว่าตัว เกิดนั้นเป็นเกิดด้วยความรักความใคร่มันจะอยู่เราไปยึดมันนะมันก็จะมาทำร้ายเรา ล, ลชะชลาก็ทำให้รู้สึกเราร้อนวุ่นวายเป็นทุกข์โกลวยัยไม่ได้เสพไม่ได้กินไม่ได้รักไม่ได้ตามที่ต้องการเป็นชลาในที่สุดก็เป็นทุกขกมรณะแล้วคือตายจากความปกติตายจากความสุขตายจากสติสัมปชัญญะเป็นมรณะ นะ้าชาติชารามรณะในะที่ที่เป็นอุปทานหมายถึงทางจิตใจไม่ได้หมายถึงรูปนะนี่นีมันมันเป็น น, นีมันก็ไปสอบทข้างบนว่าอตัวนี้อุปทานนั่นเองท่านบอกต่อมาว่าผูดด้ใดมีความชื่อว่าเป็นผู้บรรลุพระนิพพานเป็นวิร น, ในภิภพยร่วงคนเพลเนี่ยอันนี้เป็นผลสรุปนะเป็นผลสรุป นั้นเทวทุตในสูตรเขจะมีความหมายในลักษณะอย่างนี้แต่ว่าเทวทุตสี่ตัวนะหนึ่งอะไรกามสองทิฏฐิสามอัตตาโตดล์สี่สสสสศีลปตะศีลพตะนี่มันที่ยากบางทีศีลพปตะปรามาสการลูกคำในเรื่องศีลเรื่องพลศหมายถึงว่าคุณงามความดีทั้งหลายถ้าเราไปไปลูกไปคำไปสําคัญว่ามันเป็นของเราอย่างนี้นะเราก็ไปสําคัญสิ่งที่ดีที่ทําแล้วเนี่ย เอาไปพูดเอาไปสรอเสริญเยินยอเอาไปยกย่องตัวเอ ง, เ อ, ปป เ, องเอาไปโปรโมตตัวเองเอาไปอวดอะไรพวกเนี้ยนี่เขาเรียกว่ายึดมั่นด้วยสินพจนี่ก็ทําให้เราก็เวลาเทวทูตมันเกิดตอนที่เขาว่ามาตรงกันข้ามอ๋อแกแหละอดตัวเงินอย่างนี้ปั๊บปึกขึ้นมาทุกข์แล้วอดตัวสําคัญตัวผิดเ ง, งน้นอย่างนี้เราเขาว่าตีกลับเข้ามาเนี่ยใช่ไหม อยากจะให้คนอื่นมาเสนอเสื่นโยกย่องตัวเองพอเขาตีกลับเามาโดนมันฆ่ามัรับไม่ได้โยมทูกมันเกิดตอนนั้นเอยโย ม, มัทุกมันเกิดตอนนั้นตอนที่เราทุกข์เพราะเราถูกตีกลับมาเลยใช่ไหมตรง น, นี้มันละเอียด น, นะเราไปพิจารณาให้ดีถ้าเราไม่เข้าใจบนนี้ก็ไม่เห็นว่าอุปทานมันเป็นโยมันทุกข์อย่างไรเช่ไหมการมาเอาไปไ ป, ไปติดในเรื่องการ อ, อกหกักรักเล้าของเราเปไมมา็นไงโยมัทูตตัวจริงมาแล้วฆ่ากันตายยิงกันตายใช่ไหม ก็เรื่องรักกัไนนะความคิดเห็นเถียงกันไม่ลงตัวเป็ไงได้ฆ่ากันนะฝักฝ่ายเป็นการเมืองได้ทําลายล้างกันฝักไฟเป็นไงขเขมรตายไปเท่าไหร่เนี่ยไม่รู้กี่ล้านเนี่ยเพราะอยู่ ม, มาทูตตัวนี้ความคิดเห็นขัดแย้งกันนี่แหละมิจฉาทิฏฐิแล้วอัตตาตัวตนสําคัญตุนผิดเป็นสกิรยติทิฏฐิมันเป็นประตูที่ปิดมรรคผลนิพพานเลยเนี่ยตัวนั้นใช่ไหม นี่ก็เป็นยมบทูตชัดๆแต่ถ้าเราไม่มีขยายไม่มีการกระจายเห็นความหมายซึ่งแล้วก็โยงความไม่ถูกแต่ไปโยงความโอ้มันชัดชัดเจนมากเพราะฉะนั้นยมมาทูตมันมักจะว่าคนหนึ่งแต่งชุดขาวคนหนึ่งแต่งชุดดำเนะเวลาเขามาเวลาคนฝันว่าคนที่จะม า, าไปตายเ น, น, นี่ยคนนึงเป็นเทวาทูตคนหนึ่งยมมาทูตมาด้วยกันเ อ, อใช่ไหม มันได้มาชุดดำสองคนไม่ได้มาชุดขาวสองคนนะี <c> ่ย <oughs> มันมาด้วยกันเนี่ยแล้ไอ้คนชุดขาวก็ไปสอบถามว่าไอ้ <c oughs> ตอนที่แกมีชีวิตอยู่เนี่ยก็ไปทําบุญทํญทญากุศลอะไรมาบ้างอถ้าจําได้ก็บอกโอเคไปขับข้าก็นเลยกันไม่ได้ทําำคนนั้นก็จะถามเวลาตอนเกิดตอนแก่จะคิดอย่างนี้บ้างไหมได้สติอย่างนี้ไหมว่าเออกูก็จะเกิดนี้เหมือนกันกูก็จะเจ็บนี้กูจะตายอย่างนี้เหมือนกันหวังที่กูรีบทําความดีรีบปฏิบัติธรรมคิดอย่างนี้ไหม ไม่ได้คิดขอรับงั้นไปกับกูก็แล้วกันไอคนดําก็จูงกันไปเลยมึงจะไปทางไหนที่นี่เอาเพราะนั้นไอคนฝันเวลาเขามันจะตายมันจะมีคนสองคนนี่นะไอคนหนึ่งนุ่งชุดขาวหนึ่งชุ ด, ดาํมามันมันนำไปเนะี่ยแต่บงที่ทําบุญมาเยอะๆเขาบอกไม่มีชุดดำมันมีแต่ชุดขาวมันรับเอามีเทวดาแต่งชุดขาวมัรับอะไร บางคนที่มันทาเยี่ยมโหดจริงๆบางทีไม่มีชุดขาวมาเลยแต่ชุดดำมารับออกก็มีนะในกรณีที่มันชุดขั้วเนี่ยดำดำขาวขาวไปเลยแต่ยังไม่ชุดขั้วมก็ทั้งดำทั้งขาวนะคนที่ทํากรรมดำมาทำกรรมขาวมาน ะ, นะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพิจารณากัน่เงนี้ยโอเคนะ